เสียงอ่านหนังสือชุดมนุษย์เกิดมาทำไมเล่มที่สิบห้าตอนอัตถกธาธรรมบทแปลจากพระบาลีเรียบเรียงโดยพระอาจารย์สุวัตสุวัฒโนภิกักวงอุทยานธรรมวิปัสนาโมกเหล็กบันทึกเสียงอ่านโดยอริยคุณพุทธธรรมชมรมผลดีจัดทำเพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานโดยกสิตาละิรัตนากูล คำพีคถาธรรมบทนั้นเป็นการศึกษาพุทธวจนะพุทธคถาเพื่อเข้าใจกฎแห่งกรรมพบชาติและหลักธรรมสำคัญต่างๆด้วยเรื่องเล่าประกอบผ่านเรื่องราวในชาดกนิทานธรรมบทเกือบสอง้อเรื่องในที่นี้แบ่งเป็นแปดภาคพร้อมภาคพิเศษในตอนสุดท้ายเนื้อหาทั้งหมดนั้นเกี่ยวข้องกับพุทธประวัติกฎแห่งกรรมการปฏิบัติธรรมการบรรลุธรรมของสาวกในสมัยพุทธกาล รวมเรื่องราววิถีชีวิตของเหล่าภิกษุสัมเนนชาวบ้านผู้ครองเรือนและนักบวชนอกศาสนาทําให้เข้าใจลึกซึ้งขึ้นในคําสอนของพระพุทธองค์เข้าใจพุทธวจนะเข้าใจเรื่องราวในพระสุตรตันตปิฎกคือพระสูตรทั้งหลายซึ่งเกี่ยวโยงไปถึงพระวินัยปิฎกและพระอภิธรรมปิฎกได้ชัดเจนรอบด้านมากยิ่งขึ้นจากใจผู้บันทึกเสียงก่อนปังเนื้อหาจากหนังสือ ขอเสนอข้อคิดเห็นเพื่อเสริมความเข้าใจในการศึกษาประไตรปิฎกให้ถูกต้องตรงทางหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับบทเกลิ้ น, นํานี้ขออย่าพึ่งเชื่อและก็อย่ารีบปฏิเสธขอทุกท่านพิจารณาว่าสิ่งที่อธิบายนั้นถูกต้องมีเหตุผลแค่ไหนอย่างไรหากมีความคลางแคลงใจตรงจุดไหนก็ขอให้ข้ามไปแล้วเลือกหยิบยกแต่สิ่งที่จะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านไว้ก็พอนะครับไม่ว่าจะเชื่อหรือจะทําอะไรก็ตาม ก็ขอให้อยู่ในหลักของการทาดีเว้นชั่วมีจิตพองใสมีสติรู้เห็นกายใจตามความเป็นจริงเชื่ออะไรทำอะไรแล้วกุศลเจริญอกุศลไม่เจริญเชื่อแล้วทำแล้วลดราคะโทสะโมหะลดอัตามานะความถือมั่นว่าเป็นตัวเราของเราลงได้เชื่อแล้วทำแล้วตัดสังโยดดับตัณหาความอยากได้ตัดความรู้สึกว่าเหนือกว่าด้อยกว่าว่าเสมอกับคนอื่นได้ ก็ขอให้เชื่อให้ทำแบบนั้นต่อไปนะครับผู้อ่านเองหวังผลถึงคนรุ่นใหม่และคนอีกมากที่ไม่มีโอกาสได้ศึกษาพระไตรปิฎกฉบับเต็มและไม่มีเวลาศึกษาคำพีต่างๆอีกมากประกอบจึงเห็นว่าควรสรุปที่มาที่ไปของคำสอนในคาถาธรรมบทให้เข้าใจเบื้องต้นก่อนที่จะไปฟังเนื้อหาจริงเชื่อว่าจะทาให้หลายท่านได้เข้าใจมากขึ้นอันจะมีประโยชน์ต่อการศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมต่อไปในอนาคต เพราะถ้าไม่อธิบายเกริ่นนําก่อนเชื่อว่าจะมีหลายท่านที่สงสัยกับเนื้อหาหลายตอนนะครับและจะเกิดผลเสียทําให้คนกลุ่มหนึ่งไม่เชื่อและมองว่าคําสอนทางศาสนาเป็นเรื่องหลอกให้คนทําดีซึ่งปัจจุบันแม้นักบวชจํานวนหนึ่งก็ยังเชื่อแบบนั้นและพากันเป็นมิจฉาทิฏฐิทําลายศาสนาทางอ้อมโดยไม่รู้ตัวหวังว่าบทเกริ่นนํานี้จะพอมีประโยชน์ให้กับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับ ทำความเข้าใจเนื้อหาก่อนฟังคาถาธรรมบทคือคำภี์ที่ น, าววนําพุทธวจนะสําคัญรวมคําสอนที่สั้นกระชับและเป็นคาถาที่สละสลวยเชิญกวีในภาษาบาลีแต่เมื่อแปลเป็นไทยแล้วอาจจะขาดอัทรรถไปบ้างนะครับแต่เนื้อหาก็ยังเป็นธรรมะแท้โดยท่านรวบรวมมาเป็นคำภีร์เดียวกันเปรียบเสมือนได้ศึกษาพระสูตรทั้งหมดในคำภี์เดียวและมีอัตถกถาอธิบายชี้แจงเพื่อความเข้าใจให้ถูกต้องเกี่ยวกับศัพท์ และความหมายเชิงลึกซึ่งส่วนหนึ่งจําเป็นมากเพราะภาษามคตไม่มีทางที่เราจะเข้าใจได้จริงถ้าไม่มีผู้รู้อธิบายหลายคําเป็นสํานวนและบางคำแฝงนัยยะที่แปลต่างออกไปเฉพาะประโยคนั้นๆที่แปลามาเป็นภาษาไทยให้เราได้อ่านก็อาศัยอัธกถาทั้งนั้นแต่มีเฉพาะบางส่วนที่ต้องทําความเข้าใจว่าเป็นการบรรยายให้เห็นภาพเพื่อจุดประสงค์ให้ผู้ฟังในยุคนั้นเข้าใจง่าย ไม่น่าเบื่อฟังสนุกและน่าติดตามแต่ส่วนนี้ก็เป็นข้อเสียที่ทำให้ผู้ที่ต้องการเหตุผลคัดค้านและตั้งแย่ไม่เอาอัตกาถาเลยหาว่าไม่ใช่คำสอนพระพุทธเจ้าไม่จำเป็นต้องศึกษาต้องเรียนรู้ซึ่งตัวผู้อ่านเองก็เห็นด้วยในบางจุดนะครับที่ถ้าเผยแร่และทำให้เข้าใจผิดหรือเกิดความสงสัยก็จะทาให้คนรุ่นหลังพานไม่เชื่อคาพีทางศาสนา จะมองว่าเป็นแค่คำสอนหลอกให้เด็กทำความดีมันอยากที่คนจำนวนมากในปัจจุบันนี้กำลังคิดอยู่แบบนี้แต่ในสายเทราวาทนั้นเป็นสายที่คงคำสอนได้ถูกต้องที่สุดก็เพราะคงคำสอนและคำอธิบายต่างๆไว้ครบั่วนนี่แหละพระที่ท่านแตกฉานจริงท่านก็แนะนำว่าควรคงไว้แล้วให้ศึกษาให้เข้าใจว่าตรงไหนเป็นแก่นตรงไหนเป็นเปลือกตรงไหนอะไรยังไงรอพิจารณาให้เห็นให้ชัด ซึ่งคนที่ศึกษาปฏิบัติถึงจุดจริงก็จะมองเห็นตรงนี้ได้ไม่ยากแลรู้ว่าอะไรควรเอาไปสอนใครคนแต่ละระดับควรสอนแค่ไหนควรยกอะไรมาสอนแต่ก็เหลือข้อความในคำภีครบถ้วนคงไว้ให้ได้ศึกษาเปรียบเทียบกันต่อไปมาทำความเข้าใจสั้นๆเกี่ยวกับคำสอนในพระไตรปิฎกกันสักเล็กน้อยนะครับเพื่อความเข้าใจศาสนาให้ตรงทางขึ้น ก่อนอื่นต้องเข้าใจว่าพระไตรปิฎกนั้นเป็นการแปลาจากภาษามคตซึ่งหลายคำไม่มีทางแปลได้ตรงเพราะเป็นสำนวนยกตัวอย่างถ้าเป็นภาษาไทยนะครับถ้าเราเขียนว่าออกไปเสียลองคิดดูว่าคำง่ายๆแค่นี้ก็อาจทำให้ชาวต่างชาติที่แปลสับท์ได้ตรงตัวเข้าใจผิดได้ง่ายแค่ไหนออกไปแล้วจะเสียอะไรทาไมต้องเสียโดยที่ภาษาพูดเราอาจเป็นออกไปซะ ก็คือเป็นคำสร้อยที่ไม่ได้มีความหมายสําคัญอะไรนอกจากยืนยันให้หนักแน่นขึ้นแค่นั้นนี่คือตัวอย่างการแปลที่เราอาจจะได้พบเจอในคำภีรทางศาสนาที่แปลตามศัพท์ตรงตัวโดยที่ความหมายจริงอาจาเป็นคนละอย่างคําบางคําอยู่ต่างที่ก็ต้องแปลต่างกันจึงต้องพึ่งผู้รู้อธิบายเพิ่มทั้งในแง่ความหมายแท้และความหมายที่แปลมาเป็นภาษาไทยสําหรับธรรมะแท้ ถ้าไม่สำเร็จอรหรันอพุทธวัจนะมาท่องบางประโยคเนี่ยเราไม่มีทางเข้าใจได้จริงเลยนะครับเพราะต้องบรรลุธรรมก่อนเท่านั้นเหมือนตัวอย่างที่พระมหากาจรยนะท่านอธิบายโดยละเอียดกับพุทธวัจนะที่ตรัสกับภิกษุไม่กี่ประโยคแต่ภิกษุนั้นไม่เข้าใจจึงไปขอให้ท่านอธิบายซึ่งพระพุทธองค์ตรัสรับรองว่าถูกต้องและยกท่านให้เป็นเอตทัคคะคือผู้เลิศ ก, กว่าภิกษุทั้งหลาย ในการอธิบายธรรมะโดยย่อให้พิศดาลคือโดยละเอียดพระไตรปิฎกนั้นถูกสืบทอดมาด้วยการท่องจําปากเปล่าในยุคแรกจึงต้องมีการประพันธ์รจนนาคําสอนให้เป็นบทสวดเพื่อสวดให้คล่องปากดังนั้นที่ว่าพุทธวจนะอาจไม่ใช่คําตราส จ, จริงตามนั้นแต่ความหมายเท่านั้นที่ตรงตามนั้นเพราะท่านต้องเอามาเรียบเรียงหมายเป็นบทสวดให้สวดได้ง่ายจาได้ง่าย และสวดสะดวกด้วยไม่อย่างนั้นจะท่องจำกันลำบากและพอมีการจดบันทึกท่านก็จดมาตามบทสวด น, นั้นทำให้พระไตรปิฎกมีเนื้อหาเยอะและซ้ำไปซ้ำมาพอแปลเป็นไทยแล้วก็ยิ่งลำบากพระท่านแบ่งงานกันแปลดังนั้นสำนวนจึงแปลแตกต่างกันในหลายแห่งบางทีถึงขั้นปลายกันไปคนละัพท์เลยก็มีแต่ก็ยังพอเข้าใจความหมายได้อยู่ซึ่งการแปลเป็นไทยนั้นทาให้พระธรรมคลาดเคลื่อนได้ง่าย หากผู้อ่านไม่แตกฉานจริงดังนั้นผู้ที่จะวินิจฉัยพระไตรปิฎกได้จริงต้องแตกฉานและยึดบาลีภาษามคตเท่านั้นไม่ควรนำคำแปลไทยมาอ้างอิงว่าแบบนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่ถูกต้องจำนวนตัวเลขต่างๆโดยมากจะเป็นํำนวนแปลว่ามากประมาณหนึ่งไม่ได้หมายถึงเท่านั้นจริงๆกรณีเหมือนโจรห้าร้อไม่ได้มีห้าร้อยคนแต่อาจมีแค่คนเดียวแต่เป็นโจรโหดเหี้ยม เรื่องตัวเลขต่างๆส่วนหนึ่งก็เพื่อให้ทําเป็นบทสวดท่องจําได้ง่ายขึ้นด้วยทั้งคล่องปากทั้งจําง่ายเพราะถ้านําตัวเลขจริงๆโดยละเอียดก็คงจะท่องจําจดจํากันได้ยากน่าดูนะครับยังมีสัมมวนอีกมากคล้ายคําสุภาษิต ท, ที่ยกคํามาเปรียบเทียบแต่หมายถึงอีกเรื่องหนึ่งเลยซึ่งนี้เป็นปัญหาที่ทําให้การแปลเป็นไทยยังไม่สมบูรณ์และท่านไม่ได้แปลคนเดียวการใช้ศัพท์ในแต่ละตอนจึงอาจมีคําต่างกัน ให้คนฟังคนอ่านได้งงหนักขึ้นไปอีกเช่นคำเดียวกันแต่ใช้ทับศัพท์ด้วยบาลีบ้างใช้คำไทยบ้างใช้สันสกฤตแทนบ้างทั้งที่มีความหมายเดียวกันคนศึกษาลึกก็เข้าใจแต่คนมาใหม่ที่ไม่ได้ศึกษามาจริงจังก็อาจจะสับสนและเกิดความสงสัยขึ้นได้โดยง่ายนะครับ คำหลายคำเป็นการนำสิ่งที่คนยุคนั้นหรือศาสนาพราหมเขาเรียกและยึดถือมาอธิบายในศัพทังพุทธเช่นพระองค์จะเรียกผู้นี้ว่าเป็นพราหมก็เฉพาะคนที่เป็นอรหันต์แล้วเท่านั้นซึ่งท่านอ้างอิงคำของนักบวชพราหมว่าพวกเขาคือผู้ลอยบาปพ้นบาปจึงทรงมีคถามากมายที่ตรัสกับคนที่เป็นพราหมก่อนว่าผู้ปฏิบัติแบบนี้ตถาคตจึงเรียกว่าพราหม มีอีกหลายส่วนนะครับที่ตรัสสอนแนวทางนี้ซึ่งในธรรมบทและพระสูตรส่วนมากที่มีการอธิบายเนื้อหาในรูปแบบที่คนรุ่นใหม่หรือคนที่ชอบเหตุผลมักจะคัดค้านปฏิเสธว่าเป็นเรื่องเลวไหลโดยไม่เข้าใจว่าบางอย่างเป็นสื่อการสอนเท่านั้นยกตัวอย่างที่เจอบ่อยคือท่านนำเรื่องจริงเช่นนรกสวรค์และกฎแห่งกรรมต่า ง, า ง, างมาเสริมบางจุดให้เป็นเรื่องน่าสนุกน่าติดตามไม่น่าเบือ่อโดยบรรยายให้เห็นภาพชัด สำหรับคนในยุคนั้นเพื่อความเข้าใจได้ง่ายและน้อมจิตหาแก่นสาระของเรื่องจนเกิดศรัทธาแน่วแน่ในกฎแห่งกรรมในพระรัตนตรัยก่อนแล้วที่ตามมาก็คือการฟังคําสอนในการปฏิบัติอื่นๆและมีกําลังใจในการปฏิบัติแน่วแน่จนบรรลุธรรมในที่สุดหลายครั้งนะครับที่มีการนําความเชื่อของคนยุคนั้นมาเป็นตัวเสริมการอธิบายเพื่อเปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายการเกิดเป็นสัตว์และพูดคุยกันได้ ก็คือตัวอย่างของสื่อการสอนข้อสนิฐานหนึ่งคืออาจจะเป็นบทพูดจริงของสิ่งมีชีวิตอีกพบหนึ่งก็ได้แต่ไม่รู้จะหาอะไรมาเรียกแทนก็เอาตัวสัตว์ที่ชาวบ้านเข้าใจนี่แหละใส่แทนเข้าไปเลยอีกข้อสนิฐานหนึ่งก็คืออาจปรับการแนะนำสั่งสอนสัตว์มาเป็นบทพูดเพื่อให้คนฟังตรงนั้นเข้าใจได้ง่ายก็ได้เหมือนสอนสัตว์นั้นจริงๆแต่คงไม่ได้สอนด้วยการพูด แต่ต้องทำเป็นบทพูดเพื่อให้คนฟังเข้าใจง่ายแค่นั้นหรืออีกข้อสันนิษฐานหนึ่งก็คือเป็นการเสริมเรื่องเข้ามาเพื่อเป็นสื่อการสอนให้เข้าใจง่ายคล้ายการสอนคุณธรรมในรูปแบบของนิทานอีศรนั่นเองกรณีชื่อคนแทบทั้งหมดนะครับให้สังเกตว่าท่านจะตั้งชื่อให้ตรงกับเนื้อหาของพระสูตรนั้นเมื่อท่องจาเป็นบทสวดปากปล่าจึงท่องจาง่ายไม่สับสนว่าใครเป็นใคร ชื่อเมืองชื่ออะไรต่างๆในอดีตแม้แต่ภาหะณะของใช้ท่านก็ใช้สิ่งของที่มีในยุคนั้นมาเปรียบเทียบแทนใช้ชื่อเมืองภารณสีเป็นหลักใช้สิ่งที่เทียบเคียงได้เข้าใจง่ายที่สุดในยุคนั้นชื่อคนชื่อพระพุทธเจ้าทั้งในอดีตและอนาคตชื่อเรียกต่างๆก็เช่นกันเป็นไปได้มากที่สุดว่าน่าจะเป็นการเรียกชื่อนั้นๆแล้วมาเทียบเคียงกับภาษามาคตว่าใกล้เคียงคำไหนมากที่สุด อาจไม่ได้ชื่อนั้นจริงๆเหมือนที่คนไทยเองขนาดชาติเนี้ยมีให้รู้ว่าชื่ออะไรแน่ๆยังมาเรียกเป็นญี่ปุ่นเป็นฝรั่งเศสพวกเราเองก็เรียกชื่อประเทศชื่อเมืองของต่างชาติตามความถนัดของภาษาไทยเช่นกันใช่ไหมครับลองคิดดูนะครับว่าถ้าต้องเล่าจริงๆว่าอีกโลกหนึ่งนั้นมีคนที่ใช้ภาษาอื่นด้วยชื่อเมืองแปลกๆชื่อคนแปลกๆต้องพูดถึงยานอาวกาศโทรทัศน์โทรศัพท์ และอีกสารพัดที่พูดไปก็ไม่มีใครรู้จักและนึกภาพตามไม่ได้คนยุคนั้นที่กำลังฟังนะ่ะจะเข้าใจได้หรือไม่แล้วจะเกิดคำถามมากมายแค่ไหนกับสิ่งที่ตัวเองไม่รู้จักอีกมากแทนที่จะเข้าหาหลักธรรมก็มัวแต่สนใจพวกชื่อแปลกและสิ่งของแปลกที่ไม่มีทางคิดออกได้เลยว่ามันจะมีอยู่จริงได้อย่างไร ในความเป็นจริงถ้ามีใครสักคนเรียบเรียงคำสอนแปลไทยให้สั้นกระชับและตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นอย่างการบรรยายภาพหรือเรื่องประกอบเพราะหลายจุดมันเกินเหตุผลที่ควรจะเป็นไปแต่ทั้งนี้ก็เข้าใจว่าท่านทำเป็นสื่อการสอนในช่วงต้นของคนมาใหม่เท่านั้นที่จิตยังไม่สามารถตั้งมั่นในพระรัตนตรัยได้ ซึ่งคนที่ชอบธรรมะจริงๆก็หาศึกษาแก่นธรรมเลือกฟังอ่านคัมภี์ที่เน้นการปฏิบัติโดยตรงได้อย่างวิสุทธิมรรคก็เน้นการปฏิบัติหรือพระอภิธรรมปิดกด้วยเหตุเหล่านี้ท่านพุทธทาสนะครับท่านถึงได้กล่าวไว้ประมาณว่าให้ตัดพวกเครื่องเหลือเชื่อพวกนี้ออกไปก็ได้ศึกษาแต่หลักธรรมเลยในสุนนรกสวรรค์นั้นคนไปใส่ร้ายท่านกันเยอะนะครับหาว่าท่านสอนว่านรกสวรรค์ไม่มีจริงท่านกล่าวไว้ประมาณว่า นรกสวรรค์ที่อธิบายมาในอธักธกถาซึ่งโดยมากจะอธิบายเป็นแนวทางเดียวกับความเชื่อของคนสมัยนั้นคือความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ที่แบ่งนรกสวรรค์เป็นชั้นๆและมีนรกอยู่ด้านล่างนั้นท่านก็บอกว่านรกสวรรค์แบบเนี้ยมันไม่มีขุดลงไปสิจะเจออะไรตามความเข้าใจของผมนะครับก็คิดว่าท่านก็แค่บอกว่าแบบนั้นไม่มีแต่ไม่ได้บอกว่านรกสวรรค์ในรูปแบบอื่นจะไม่มี ซึ่งหลายคนก็จับจุดนี้มาเผยพระและปักใจเชื่อไปว่าภพชาติไม่มีคือคนเราเนี่ยมันหาจุดที่มาตอบสนองกิเลสหรือที่ตตัวเองได้อย่างน่าประหลาดนะครับหนังสือเล่มเดียวกันก็จะตีความต่างกันตัวอย่างบางสำนักเนี่ยก็ยังไปตีความว่าห้ามฟังคําสาวกแม้จะเป็นอรหันต์เป็นอ克拉สาวกก็ตามทั้งที่เนื้อหาเยอะมากนะครับที่กล่าวชัดว่าทรงรับรองในธรรมะนั้นแล้ว ตรัสให้จดจำนำไปท่องจำและยึดถือปฏิบัติได้ยังไม่รวมกับเนื้อหาหลายตอนทั้งการส่งพระอาหารหันต์ไปเผยแผ่ศาสนาแทนพระองค์ให้พระสาวรีบุตรพระโมคขลานะบริหารหมู่สงฆ์แทนพระองค์ให้พระสาวกแสดงธรรมแทนพระองค์ในหลายแห่งและมีเนื้อหาอีกมากนะครับมากจนไม่อยากเชื่อว่าทําไมสํานักที่อ้างพุทธวจนะอย่างเคร่งครัดถึงได้มองข้ามความจริงซึ่งก็เป็นพุทธวจนะเช่นเดียวกันที่ตรัสสั่งสอนไว้ อย่างที่บอกนะครับพุทธวจนะถ้าแค่ท่องประโยคนั้นๆไม่มีทางจะเข้าใจได้จริงต้องเข้าใจบาลีแตกฉานพอต้องเข้าใจที่มาที่ไปและปัจจัยแวดล้อมว่าท่านกําลังตรัสกับใครไม่อย่างนั้นก็จะเกิดความเสียหายใหญ่หลวงอย่างที่คนบางกลุ่มหาว่าเรื่องภพชาติไม่ใช่เรื่องควรสอนควรใส่ใจพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเรื่องพวกนี้ไม่ใช่ทางดับทุกข์ โดยอ้างประโยคที่ท่านทรงสอนกับพราหมณ์ที่คงแก่เรียนได้สมาธิขั้นสูงมีปัญญากล้าแล้วจึงตรัสว่าอย่าไปสนใจเรื่องพวกนี้ไม่ใช่ทางดับทุกข์แล้วมาให้สนใจหลักธรรมแท้ๆเลยจุดนี้จุดเดียวนะครับที่เอามาอ้างกันแต่ไม่ยอมศึกษาให้ละเอียดว่าทั่วพระไตปีดกนั้นท่านตรัสเรื่องพบชาติไว ม, มากมายแก่ผู้คนจานวนมากแค่ไหนและยังตรัสว่าหากไม่เชื่อว่าพบชาติมีจริง ไม่เชื่อว่าอบปฏิกะเทวดาเปรตสัตนโรกมีจริงเป็นต้นนั้นถือเป็นมิจฉาทิฏฐิบรรลุธรรมไม่ได้ซึ่งเป็นมรรคข้อแรกในมรรคแปดที่จะนำไปสู่มรรคข้อต่อไปการเวียนว่ายตายเกิดก็คือตัวสมุทัยเช่นกันนะครับทุกข์มีเพราะการเกิดถ้าไม่เกิดก็ไม่ทุกขสมุทัยเบื้องต้นก็คือการเกิดใหม่ซึ่งเป็นหนึ่งในหลักปฏิจจสมุทบาทที่สืบต่อเป็นวงล้อกัน และทำไมหลายท่านจึงกล้าบอกว่าสิ่งนี้ไม่สําคัญไม่ใช่ทางดับทุกข์ไม่ควรใส่ใจที่ควรจะปฏิเสธนั้นควรจะเป็นเรื่องงมงายที่เสริมเติมแต่งเข้ามามากกว่านะครับคือสิ่งที่มีอยู่จริงนั้นธรรมดาพอผ่านเวลายาวนานการเล่าบอกต่อกันมันก็กลายเป็นการขยายความถูกเติมแต่งไปโดยไม่ตั้งใจจากเห็นแค่หนึ่งก็อาจจะกลายเป็นสิบมันก็เลยดูเวอร์วังอลังการเกินไป เกินเหตุผลเกินความจริงที่คนทั่วไปจะเชื่อได้คนฟังส่วนหนึ่งก็เลยไม่เชื่อเป็นธรรมดาทั้งนี้ก็ยังจำเป็นต้องอยู่ในหลักที่ว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่นั้นใช้ไม่ได้ไม่เชื่อก็ต้องศึกษาให้แตกฉานให้เข้าใจก่อนจะเชื่อหรือไม่เชื่อนี่จึงเรียกว่านักวิทยาศาสตร์และเป็นบัณฑิตของจริงนะครับสาหรับพระอภิธรรมนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีเป็นธรรมะแท้ แต่ต้องเข้าใจว่าท่านตรัสสอนคนที่มีปัญญากล้าเท่านั้นหรือที่มีในพระสูตรคือตรัสสอนอภิธรรมแก่เทวดาผู้ไม่มีทุกข์ให้เห็นชัดเหมือนมนุษย์จึงต้องแยกละเอียดขนาดนั้นเทวดานั้นเขาเจริญสติได้ยากอย่างอานาปนาสติอสุภาและอีกหลายอย่างเนี่ยเขาไม่สามารถทำได้เลยนะครับจึงต้องเรียนอภิธรรมและพระฐานปัญญาบา ร, รมีพร้อมแล้วด้วยอยู่ในภพที่มีแต่ความสุขจิตปโปร่งใส สำหรับคนทั่วไปนะครับควรจะเข้าใจพระสูตรเข้าใจโครงสร้างกฎแห่งกรรมก่อนที่มาที่ไปของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เข้าใจเรื่องศีลเรื่องทานให้ถูกแล้วค่อยเลื่อนระดับไปเรียนขั้นปรมัตา์ซึ่งจะดีกว่ามากไม่ใช่อยู่ดีๆข้ามขั้นเหมือนเด็กอนุบาลยังอ่านกอไก่ไม่ได้ครบก็ไปรีบอ่านหนังสือปรัชญาศาสนาเปรียบเทียบคือต่อให้ท่องได้ครบทั้งเล่มก็ไม่อาจรู้จริงถูกตรงทางได้เลยเพราะอุธิภาวะมันยังไม่ถึง ยกเว้นปัจเจกบุคคลอย่างผู้ที่บารมีเต็มพร้อมจะบรรลุอรหันต์ตั้งแต่เด็กนั่นแหละแต่เท่าที่มีประวัติก็ต้องเจดปีขึ้นไปเท่านั้นนะครับบารมีเต็มแค่ไหนก็ต้องรอเวลาเหมือนกันไม่ใช่ว่าเกิดมาบรรลุได้เลยต้องมีเซลล์สมองที่พร้อมสภาพจิตที่พร้อมกายที่พร้อมก่อนด้วยธรรมะเป็นของลึกซึง้งการศึกษาธรรมที่เหมาะกับระดับจิตเท่านั้นจึงจะพาเราพ้นทุกข์ได้จริง ขอเป็นกําลังใจให้ทุกท่านรู้ทุกเห็นทุกพ้นทุกได้ในระวันนี้ขอเชิญรับฟังเนื้อหาเพื่อการเข้าใจกฎแห่งกรรมผ่านพุทธวจนะพร้อมเรื่องประกอบซึ่งมีทั้งหมด8ดภาคนะครับคนฟังเรียงลำดับไปทีละภาคและหาเวลากลับมาฟังซ้ำๆเรื่อยๆจะเป็นประโยชน์สูงสุดกับทุกท่านเพื่อป้องกันรักษาระดับจิตไม่ให้ไหลต่าสภาพทานางธรรมทานางชินาติการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง สภาระสังธรรมรโสชินาติรสแห่งธรรมะชนะรสทั้งปวงสภาระติธรรมะติงชินาติความยินดีในธรรมะชนะความยินดีทั้งปวงตันหะคโยสภาทุกขังชินาติความสิ้นไปแห่งตันหาชนะทุกทั้งปวง